พันษามาโดยลำดับก็เรียกว่าค่อนพันษามาแล้วทุกคนก็ให้ประเมินดูความเป็นมาของตนว่าตนนั้นได้ประพฤติพรหมจรรมาได้ผลมากน้อยเพียงใด ข้อนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพึงประเมินผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเองจะให้คนอื่นนั้นพยากรให้นั้นไม่ได้ <c oughs> ทุกคนต้องรู้ตัวเองจึงจะถูกต้องตอนเองทำถูกทำผิดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตัวเอง จะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าตนทำผิดอะไรทำถูกอะไรถ้าหากว่าตนสำรวมตนด้วยดีมาส่วนธรรมะก็ดีส่วนวินัยก็ดีก็จะได้ปิติปราโมทย์ขึ้นในใจเมื่อเราพิจารณาดูผลแห่งการปฏิบัติแห่งการประพฤติพรหมช น, นที่ตนได้เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนานี้ผู้บุคคลผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ย่มมีโอกาสที่จะได้ชำระตนให้สะอาดปมดจดจากกิเลสบาปประธรรมต่างๆได้เต็มที่เพราะไม่มีกิจการงานอะไรที่จะมาขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก <c oughs> ิจวัตรของนักบวชก็อย่างที่เรากระทำบมเพ็ญกันมานี่แหละเราก็รู้กันอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไร <c oughs> พอที่จะมาเป็นอุปสรรคกว่าเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าเนื่องจากทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานหนัก ไม่ได้พักคออะไรอย่างนี้มันไม่มีข้ออ้างนะขอกิ จ, จวัตรข้อปฏิบัติเพียงแค่ปัดกวดทำความสะอาดสถานที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกิจอื่นๆบ้างที่จำเป็นบางครัง้งบางคราวนอกจากการปัดกวดการทำความสะอาดแล้วมันก็มีกรณีพิเศษ น, นิดหน่อยๆ น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่นั่นนั้นอย่าพากันประมาท <c oughs> ผู้มีหน้าที่เรียนทมเรียนวินัยก็ตั้งใจท่องตั้งใจดูตั้งใจ ต, ใจตอบปัญหาหัดตอบปัญหาให้มันได้ ผู้ใดได้ไดตอบปัญหามันก็เรียกว่าได้ฝึกมันสมองให้เชี่ยวชาญในการคิดปัญหาธรรมะนั้นนั้นให้มันได้โดยกระจ่างแจ้ง <c oughs> เรียกว่าฝึกให้เกิดปัญญานั่นแหละถ้าว่าตรงๆถ้าผู้ใดเกียดคร้านในการท่องการจำการเรียน ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ปรารถนาจะมีปัญญาอยากจะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาอยู่นั่นก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้คนไม่มีปัญญาเช่นอย่างว่าไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวินัยอย่างนี้นะแม่บวชไปอยู่ไปนานไปก็รักษาตัวให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยก็ไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปล่วงทาล่วงวินัยเข้าไปได้รับความเศร้าหมองเดียวก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปตลอดชีวิตได้ถ้าหากว่าผู้นั้นบวชอยู่ไม่ได้นานซึกออกไปก็ไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยอะไรติดตัวไปอย่างนี้นะ ผู้ที่เคยทำช่วยอย่างในทำบาทอย่างในมตัตตก่อนก็ทำอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้บวชแลวนั่นแหละนั่นเรียก ว, ว่ามันไม่มีความรู้พิเศษอะไรเกิดขึ้นในใจในขณะที่บวชโยเมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องให้เข้าใจในนั้นต้องขยันต้อง ดูสำหรับตำราต้องท่องบนจดจําเอาข้อธรรมะข้อวินัยต่างๆหมดนี่ให้มันได้ mm hmm. เท่าที่เราจะท่องได้จําได้แต่ตั้งใจลงจริงๆเนะี mm ่ย hmm. mm hmm. ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ mm hmm. อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นไอง ถ้าบวชอยู่ไม่ได้ซึกออกไปก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวให้พ้นจากบาปจากโทษได้ก็ลงไปลอยลุยบาปเหมือนเดิมเคยทำบาปมาอย่างไรเคยดื่มเหล้ามามันก็จะกลับไปดื่มเหล้าอยู่ตามเดิมเคยสูบกัญชายาฝิ่นมามันก็จะไปบริโภคของเสพติดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเลย คนไม่ใคร่ควรไม่มีปัญญาพิจารณาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผลโดยแจมแจ้งโดยตนเองแล้วมันเว้นไม่ได้จริงๆออื <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาต้องใคร่ควรคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผล เพียงพอทุกอย่างเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างถ้าไฟชั่วอย่างนี้นะทำไมพระองค์เจ้าจุงบัญญัติถ้ำไม่ทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เก็บออกมาวินิชฉัยดูค้นหาเหตุหาผลเรื่องนั่นน่ให้มันเห็นแจ้งชัดเลยเพราะมันมีเหตุมีผลโย มันก็ต้องดูตอลอดตำราประกอบด้วยเรื่องมันนะถ้าไม่ดูตำราไม่เรียนบ้างอย่างนี้แล้วไม่ได้ฟังคำอธิบายจากครูบาอาจารย์นก็เหตุผลในเรื่องนั้นนั้นก็จะไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นเลยพก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะจำได้สั่งแต่หัวข้อเฉย แต่ว่าไม่ได้ฟังคำบรรยายหรืออธิบายขยายเนื้อความต่างๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าใจได้หรือฟังมาแล้วไม่เอาใจใส่มันก็ลืมคนไม่เอาใจใส่นี่ในธรรมวินัยคาสอนของพระพุทธเจ้านะันก็ถึงฟังกี่ครั้งมันก็จาไม่ได้ ผู้ที่จะจำได้เพราเพราะว่าใจจดจ่อเมื่อฟังไปแล้วก็กําหนดจดจำหัวข้อธรรมะทั้งส่างที่ท่านแสดงให้ฟังหรือว่าจำเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังไปให้มันเข้าใจไว้จำไว้ใส่ใจให้ได้อย่างนี้นะเวลาไปนั่งสงบจิตพิจารณาอยู่ส่วนตัว ความจำอันนั้นมันก็จะโผล่ขึ้นในใจเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นมาเมื่อมันความจำอันนั้นมันโผล่ขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้รู้แจ้งชัดในเรื่องนั้นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วก็มันก็จำแม่นเลยแบบนี้นะเมื่อมันจำแม่นแล้วมันก็เว้นได้สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษน ะ, ะเพราะว่าพราะองค์เจ้าแสดงทั้งเหตุทั้งผลนี่ แต่ละอย่างเช่นอย่างว่าบุคคลมีความโกรธและเจตนาแล้วฆ่าตัดลงไปให้ตายอย่างนี้นะมันก็มีโทษกรรมนั้นมันก็ติดตามสนองถ้ามันหนักมากมันก็ไปในรกคนจากนรกมาเสดบาปอันนั้นยังไม่สิ้น เกิดมาในโลกนี้ก็มีอายุสั้นอยู่ไปอยู่ไปเมื่อกรรมนั้นตามทันมันก็มาตัดรอนชีวิตให้ตายเสียยังไม่ทันถึงอายุไขก็ตายเสียแล้วก็อย่างนี้นะโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันมันรงควรจะอยู่ไปได้นานกว่านั้น แต่บุคคลพวกนั้นไปตัดรอนชีวิตของมันให้ตายเสียก่อนอย่างนี้นะนั่นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาไปตัดชีวิตของผู้นั้นให้ตายเสียก่อนอายุไขอยังไม่ทันถึงอายุไขตายแล้วมันก็อย่างนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วมันมันเป็นไปได้นี่ือมันเป็นอย่างนั้นคําสอนของพระเจ้านะ ถ้าเทียบอีกอย่างหนึ่งเอาถ้าว่าเขาจะมาฆ่าเรา呐นะเราจะยอมให้เขาฆ่าหรือกลัวตายไหมกลัวไหมอักลัวแ น, วน่นอนถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราใครจะไม่กลัวคนนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อหลีกได้ก็หาทางหลีกอ่าถ้าเมื่อมีกำลังจะต่อสู้ก็ต่อสู้ <c oughs> จะไม่ยอมให้เขาฆ่าแะ่ฝ่ายเดียว พอเมื่อตนก็กลัวต่อไปคือความตายอย่างว่านี่แล้วบุคคลอื่นล่ะสัตว์อื่นน่ะเขาก็มีจิตใจเหมือนกับตนน่ะเขาจะกลัวไหมกลัวเขากลัวต่ออัตญาคือความตายอย่างนี้นะโดยเหตุผลนะเมื่อเราคิดเราเปรียบเทียบกันดูแล้วนะดังนั้นคนใดถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังไปขืนทำอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละเมื่อตอนนั้นไม่ถูกคนอื่นฆ่าแล้วก็ดีแล้วแต่ตนฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นไม่เป็นไรอัอนนี้เรียก ว, ว่าคนเห็นแก่ตัวออคนเข้าข้างตัวเองไม่นึกถึงชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นอย่างนั้น แม้ไปรักของเขาก็ดีไปประพฤติผิดมิจชาจาั่นก็กรรมก็ดีไปก่ามุสาวาทก็ดีดื่มสุราเมลยัยกัญชายาฟินเฮโรอีนเครื่องของเสพติดอะไรต่างๆวันนี้มันล้วนแต่มีเหตุผลเหตุผลอันเป็นไปในทางชั่วทั้งนั้นเลยออเหตุผลอันเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลผู้อื่น ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นว่าโดยสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่คนส่วนมากมันมันไม่ได้เอาไปคิดหรอกไม่ได้ไปพิจารณาเลยออนึกว่าตนมีอำนาจเหนือเขาแล้วก็ทําได้ทําเอาตามใจชอบไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจึงมีกรรมมีเวรติดตามไปสนอง เอาให้เป็นทุกข์เกือดร้อนไปในภพใดชาติต่อเนื่องกันไปอันบาปการรมมันให้ผลนี่มันให้ผลไม่ใช่ว่าให้ผลทีเดียวแล้วมันมันหมดไปเลยนะนั่นไงในตำราทางกล่าวไว้พ อ, อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วพัไปตกนรกในขุ ม, ขมเล็กเรียกว่านรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตพอเศษบาปยังไม่หมดนิพอพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่สิ้นก็มาเกิดเป็นอสุรกายอืมเมื่อเสวยกรรมวิบากมันเป็นอสุรกายอยู่นั้นไปไปมันมันหมดเขตของบาปกรรมในข่านนั้นแล้วอืตายจากอสุรกาย เศษบาจึงไม่สิ้นก็นมาเกิดเป็นสติริชานตายจากสติริชานบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่กระจอกงอกง่อยคนไม่สมบูรณ์มีอ ว, วัยวะร่างกายไม่สมประกอบถึงความวิบัติไม่สมบูรณ์นั่นแหละเศษบาเศษบามันมาตามสนองเอา ตำราท่านกล่าวไว้ว่าหลายชาตินะ <c oughs> สเสวยผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นนะ่ะถ้าได้เกิดเป็นสัตว์แล้วก็เป็นเกิดตายเกิดตายอยู่หลายชาติเดียวถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้มามีเอาวิวาร่างกายบกพร่องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชาติเดียวนี้มันแล้วไปนะเมื่อเสดบาป น, นั้นยังไม่หมด เอาเกิดมาชาตินี้แล้วอย่างนี้ก็มาทําบาปเพิ่มเติมเข้าไว้อีกอย่างนี้นะเอาบาปกรรมนั้นมันก็นําไปสู่นรกของเก่าอีกแล้วอืมบุคคลผู้ที่บาปกรรมครอบงาจิตใจนะ่ะเป็นใจมืดใจดําไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วเหตุนั้นมันจึงได้ต้องทําบาปเพิ่มเติมอีก เเื่นเสียที่จะได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตในพระพุทธศาสนาท่านแนะนำสั่งสอนให้งดเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นถ้าผู้นั้นเชื่อตามพยายามงดเว้นจากกรรมชั่วอันนั้นก็ยังชั่วหน่อยตอนหนักให้เป็นเบากรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่มันก็จะให้ผลไปไม่มากเท่าไรก็จะหมดลงเพราะบุคคลนั้นทำความดี ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ <c oughs> นี่นะเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันคิดกันตรองให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากสร้างกรรมสร้างเวรบางคนเนี่ยเมื่อเกิดทาเะวิวาทกันโมโหโทโสขึ้นมาแล้วคิดแต่จะฆ่ากันแกงกัน ให้ล่มให้ตายไปอย่างงี้นะเอ า, เอาในขณะที่โกรธอยู่นั่นมีผู้มาห้ามไม่ได้นะเป็นบาปนะตายแล้วไปตกนรกนะเพื่อนก็ตอบผู้ห้าม น, นันว่ามันจะไปตกนรกสกีหลุมเราก็จะไปนี่นั่นแหละอำนาจแห่งมานะทิฐิอำนาจแหนะ่แงโทสาวกยาบาทเมื่อเมื่อมัน ตัวเองสร้างขึ้นมากๆแล้วมันมีอำนาจเหนือจิตใจนั้นแล้วมันก็ทำให้จิตนั้นไม่กลัวบาปกลัวนรกอบายภูมิเลยนั่นเนี่ยเหตุด้านคนเราถึงได้ทำบาปถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันผู้บวชเข้ามาในพระศาสนานี่ มันต้องพิจารณาเรื่องบาปกรรมอันนี้ให้มากๆทีเดียวอะให้มันรู้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วตนเองก็ยังจะพอได้รับผลแห่งการบวชถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็จะได้พยายามเว้นกรรมชั่วต่างๆนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไปทำชั่วอย่างร่ายแรง เช่นไปทะเลกับใครเข้าไปแล้วก็ไปทุบ ก, กันตีกันเลือดตกยางออกหรือบันดาลโทสะให้ฆ่ากันยิงกันตายอะไรพวกนี้มีอยู่ด่าตื่นนี้ในโลกอันนี้นะก็เนื่องแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแม้แต่น้อยเดียวสร้างแต่กิเลสเหล่านั้นให้มาเป็นเพื่อนของดวงจิตนี้ตลอดไปดังนั้นจิตนั้นมันถึง กล้าหารการกระทําความชั่วต่างๆไม่กลัวตอบผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติดังนั้นผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วก็ได้มาฝึกผนอบรมตนอยู่อย่างนี้ก็ต้องให้มันได้ผลต้องให้มองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเจมแจ้งเลยตนเองเมื่อผู้มองเห็น บุญการทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบุญกุศลอย่างนี้มันก็พยายามทําพยายามพูดแต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปพยายามรักษาวาจาคําพูดถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ไม่พูดเลยไปยัดคําพูดเี่ยคนรู้ทำนะคนรู้ทำแล้วคนสํารวมจิต ตัวเองเนี่ยเราว่กการพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงขีดนั่นแหละถ้าจิตเลื่อนลอยแล้วคําพูดก็ไม่มีสถานีอ่มันก็ไหลออกมาแต่ความคิดนั่นแหละพูดเรืเ่อยเปิไปไม่ทราบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่ามันสาคัญอยู่ที่จิตนี้ผู้ดใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้อย่างนี้แล้วไม่หรอกมันไม่อยากพูดพุ่มเพื่อ อะไรเลยฮะเมื่อเมื่อมันมีเหตุมาจึงค่อยพูดนั่นแหละเมื่อไม่มีเหตุสิคนจะพูดแล้วก็สงบใจนิ่งอยู่สบายสบายไปอย่างนี้หละเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้จักรักษาจิตใจตัวเองไม่ให้ตกไปในทางบาปอากุศล ยังได้เชื่อว่าเป็นผู้รู้จักบาปนั่นแหละบาปมันเกิดที่จิตจิตเป็นผู้สร้างขึ้นบุญก็เกิดที่จิตดวงนี้ถ้าจิตนี้ละบาปคือละความโกรธความมายาบาละความโลภเร่งเร่งเร่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นผู้ถือสันติธตามมีตามได้ ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตอนนั้นเนื้อจิตนั้นเมื่อละความโกโรธลงไปแล้วมันก็มีเมตตาขึ้นมาจิตก็ไปกอบอไปด้วยเมตตาการุณาอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปกรรมเพราะความโกโรธนั้นแหละทีนี้นั้นในหละใครจะมายั่วให้โกรธยั่วทะเลาะวิวาดชวนทะเลาะวิวาดก็ไม่เล่นด้วย ไม่เอาคนผู้มีธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่เอาแอืวถ้าผู้ไม่มีธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่เคยห้ามจิตไม่เคยฝึกจิตมาแต่ก่อนแล้วไม่ไหวพอใครมายั่วเท่านั้นแหละมันก็ทนไม่ได้แล้วมันต้องตอบโต้กันไปเมื่อรุนแรงเข้าไปยับยั้งใจไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือ ตบตีกันไปคว้าได้อะไรอาวุธเป็นอาวุธกดซัดกันไปอย่างนี้แหละคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเนี่ยมันจะทําจนให้ตกต่ํามีอยู่ถมไปในโลกอันนี้นะเรื่องที่ไม่ควรจะทํามันก็ไปทํำเรื่องที่สมควรจะห้ามจิตใจได้มันก็ห้ามไม่ได้ออมันเป็นอย่างนั้นมันจะห้ามได้ยังไง ตนไม่เคยฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยทําใจให้สงบไม่เคยห้ามจิตของตัวเองสักทีเมื่อเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเวลาใด <c oughs> มันก็โกรธขึ้นเวลานั้นเลยอย่างนี้เนะี่ยนี่แหละคนไม่ได้ห้ามจิตใจตัวเองนะอันผู้ที่ฝึกจิตใจตนเองออื <c oughs> ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาต่อไปอย่างนี้มันก็รู้จักวิธีข่มจิตรู้จักวิธีห้ามความคิดความนึกอันภายในนั้นได้ถ้าหากว่าผู้นั่งสมาธิภาวนาหากไม่รู้จักข่มจิตตัวเองและไม่รู้จักห้ามความคิดความนึกในใจอย่างนี้ใจก็สงบเป็นสมาธิไม่ได้เลยนี่ ดังนั้นจึงว่าอย่าพากันทำเล่นนะทำสมาธินะต้องทำจริงๆ <c oughs> <c oughs> ต้องรู้จักสะกดจิตของตนรู้จักห้ามความคิดเอาสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้ การที่จิตนี่มันจะชอบคิดแหละพอนั่งสมาธิไปแล้วมันยิ่งชอบคิดดีอ่ะเพราะมันเป็นมาร น, นะอันท่านเลยว่าอภิสังขารมานนะได้แก่ความคิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้า ง, าางถ้าบุคคลไม่รู้เท่าเราก็เป็นมารเลยวันนี้นะมารบกวนจิตใจให้กุ้งเอยียงนั่นให้สงบลงไม่ได้เลย เอาเวียนงั้นเพราะฉะนั้นเราเวียนนั่งอเวียนเฉยแล้วไม่ได้คมจิตเลยก็ให้จิตมันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่ได้ผลจิตก็สงบไม่ได้ดังนั้นต้องต้องลงแรงนะให้เข้าใจถ้าจิตผู้ใดมันเื่อด้านมันชอบอยากแค่ฟุ้งซ่านไป อย่างนี้แรามันต้องออกแรงและสะกดกันลงไว้เอาตายเป็นตายเราจาักไม่คิดความคิดมันก่อการนาเห็นไหมนั่นเนี่ยสูจักว่าอ่วอดทั้งกา้าจริ่งพร้อมพันใบความคิดมันเป็นการของคนทันว่างั้นวันนี้ก็เตือนตนลงไปว่าเราจาักไม่คิด ความคิดก่อกามนาอศูนย์จากยอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบอเมื่อหยุดคิดลงได้ไม่วิตกไปในความรักความใคร่สะกดจิตไว้ได้อย่างนี้นะอืการมัวิตกอัไรมันก็ระ ง, งับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรล่ะที่มันไม่ระ ง, งับเพราะตนไม่คมใจไม่สะกดจิต สติก็อ่อนแออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสติกับขันติความอดทนนี่มันต้องเป็นคู่กันถ้ามีแต่สติขาดความอดทนก็ไม่ไหวสติมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่อยู่อืดฉะนั้นต้องมีความอดทนประกอบเข้าด้วยมันจึงสามารถที่จะ ยับยั้งใจที่มันชอบพุ่งอันนั้นได้นี่หล้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงไปให้เต็มความสามารถของตนของตนนั่งแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้